ช่งนี้มีมีพระนะพระท่านอยู่ต่างจังหวัดนะมันหงอยู่ในป่าในเขาเลยนะทนฝากคนมาบอกก็มีเขียนจดไม้มา ก, ก็มนะีบอกว่าบวชนานส่วนใหญ่บวชก่อนหลวงพ่ออีอกภาวนานานมากเนเสียเวลาไ ป, ปยี่สิบกว่าปีที่ ภาวนาแล้วไม่ก้าวหน้าทำแต่ความสงบมันก็ไม่ยอมสงบนี่ได้ฟังยูทูบอะไที่หลวงพ่อเทศควรเอาหนังสือไปให้เอา c ีดีไปให้เอามาลองท ำ, ทำดูทาได้ที่จริงหลวงพ่อก็เรียนมะาจากครูบาอาจารย์วัดป่านะ หลวงปู่ดุนีก็ลูกสิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรนี่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ทันหลวงปู่มั่นหลวงปู่สวัตมีบางงงไม่ทันนะอาจารย์บุญจันทร์ไม่ไม่ทันท่านลูกศิษย์หลวงปู่แหวนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านสอนได้ ได้ลึกถึงอกถึงใจแต่กระโยมธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปท่านสอนทำทานถือศีลแต่เราเป็นคนตั้งใจภาวนาจริงๆท่านสอนถึงการทำสมาธิการเจริญปัญญาสอนลึกลงมาสมาธิหลวงพ่อได้เรียนตั้งแต่เด็กแล้ว เรียนจากท่านพอ่อหลีท่านก็ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มัน่นมาเจริญปัญญามาเรียนจากหลวงปู่ดุลใช้จิตต า, านุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วค่อยก้าวขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอทรรมะหนึ่งชำนาญ น, นะสติปัฏฐานนี่มันก็พอทำได้ไปหมดแนละ้ว ดูไก่ก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตที่ได้ดูรูปธรรมนามธรรมาก็ได้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าคนนี้ท่านสอนเข้ามาที่จิตสอนตรงเข้ามาเรื่องจิตเลยเพราะเรารู้จักจิตได้จิตการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ได้จิตตัวเอง ไม่มีทางได้ธรรมะหลวงพูมั่นนึงสอนนะได้จิตคือได้ธรรมเห็นจิตคือเห็นธรรมไม่ได้จิตกะไม่ได้ธรรมะไม่เห็นธรรมะช่วงหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะโอยคนด่าเราเนี่ยนับจานวนไม่ท้วนเลยโดยเฉพาะพวกนับปฏิบัติว้าวยว่าหลวงพ่อมันสอนดูจิตได้ไงมันต้องดูกาย ต้องดูกายก่อนนะ น, า น, นานนานนานกว่าเขาจะเข้าใจหลายปีตอนนี้ไม่มีใครมาบทนั้นให้เราฟังนะถ้าไม่ได้จิตก็ดูกายไม่ได้นะก่อนจะไปเจริญปัญญาด้วยการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอะไรนะ้ต้องมีจิต ที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องไม่มีทางรู้กายได้เลยไปดูเวทนาดูจิตดูอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะไม่ได้จิตไม่ได้ธรรมนี่หลวงปู่ ม, มั่นสอนนี้ตรงเป๊ะเลยนะงั้นก่อนจะขึ้นไปสู่การเจริญปัญญาไม่ว่าจะเจริญด้วย ดูขันจะดูตัวไหนก็ตามเถอะดูกายดูเวทนาอะไรก็ตามฝึกให้ได้จิตอยู่งั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะบทที่หนึ่งสิลสิกขาชื่อเต็มๆนะอธิสิลสิกขามีอธิด้วยอธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาบทเรียนที่สองคือจิตตสิกขา นี่ผมพกมาง่ายได้ยินได้ยินม่าอาทิศิรสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาที่มันนี่คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ทำเจริญศีลสมาธิปัญญาแต่มันไม่ได้เรียนว่าทำไมถึงได้ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้จิตไม่มีทางได้ศีลสมาธิปัญญาหรอกศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เกิดอยู่กลางอากาศเกิดอยู่ที่จิตเราต่างหากนะ จะเจริญปัญญาด้วยอะไรนะต้องมีจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องอาทิตจิตสิกขาเป็นการสอนวิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาอาทิปัญญาสิกขาเนี่ยสอนวิธีที่เราจะเจริญปัญญาเราะฉะนั้นะเราต้องรู้ว่าเราจะมีสมาธิ ได้ด้วยอะไรเบื้องต้นก็หากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะถนัดพุดโธก็เอาพุดโธถนัดหายใจก็เอาหายใจถนัดผองยุบก็ดูพองยุบไปนะถนัดอะไรก็เอาวันนั้นแหละไม่มีดีหรือเลวมากกว่ากันหรอกขอให้รู้หลักเท่านั้นเองเจอพุดโธ ก็คอยรู้ทันจิตจะหายใจก็คอยรู้ทันจิตจะพองยุบก็รู้ทันจิตจะขยับมือก็รู้ทันจิตไปยังขยับมือเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องการขยับท่านี้เราจะไปท่าไหนเนี่ยจิตลงไปในความคิดรู้ทันจิตไปเพ่งนิ่งอยู่ที่มือรู้ทันอาการของจิตเนี่ยที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเองไม่ยากอะไรหรอกที่จะเรียนรู้ อันหนึ่งเผลอไปเลยนะเออหนึ่งเพ่งตอนที่หลวงพ่อสอนตั้งแต่บวทใหม่ๆนั้นหลวงพ่อสอนอยู่เผลอกับเพ่งนี่นหะคนก็โวยวายว่าหลวงพ่อสอนอะไรบ้าๆบอๆไม่สอนสมาธิไม่สอนศีลสมาธิปัญญาะไม่รู้ว่าเราสอนอะไรแต่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เนี่ยไม่เคยว่าหลวงพ่อเลยนะท่านฟังซีดีหลวงพ่อด้วยซ้ําไป แต่เรองค์แต่โรงผู้หลักผู้ใหญ่นะเคยฟังนะบางองค์ท่านก็บอกเลยนะว่าท่านเห็นด้วยทุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวอาจารย์ประมทชอบบอกว่าง่ายเราว่ายากนะท่านว่ายากเราว่าง่าย <c oughs> <c oughs> ยากกับง่ายนะมันบอกยากนะอันไหนถูกถ้ายินสีเราเข้มแข็งง่าย ได้ยินสีเรายัางอ่อนออนอย่งพวกเราเนี่ยยากนี่ครูบาอาจารย์ท่านพูดรวมท่านเห็นหน้าโยมโอุยสอนยากบางวงบอกหลวงพ่อเลยประมวดสอนทำไมลึกขนาดนั้นสอนที่มันถือศีลอย่างทำไม่ได้เลยนะให้ทาทานถือศีลไปสะสมบารมีไปหลวงพ่อครับครับครูบาอาจารย์บอกเสือกเะลึ่งไปเถียงท่านนะ่ะโง่เลยท่านไม่สอนเราอีกแล้วนะครับครับไว้ก่อน ไม่เห็นด้วยหรอกถ้าไมโยมจะเรียนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ได้หลวงพ่อเรียนตั้งแต่เป็นโยมแล้วครูบาอาจารย์นั่นแหละสอนหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะหลวงพ่อสิ่งที่เหนือพวกเราคือเด็ดเดี่ยวกว่าพวกเราอด ท, ทนดูแล้วดูอีกไม่เลิกนั่งสมาธินั่งอยู่ยี่สิบสองปีไม่เลิกอ่ะ หลวงปูด่ดนให้ดูจิตดูจิตไม่เลิกเลยดูจะไม่มีจิตจะให้ดูเลยดูไปเรื่อยๆงั้นถ้าพวกเรามีความอดทนนะล้วก็เรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยอดมาอดทนลงมือทำไปเมื่อตอนถือศีลห้าไว้ก่อนทุกวันทำในรูปแบบทากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเอง พุโทโธก็เครู้ทันจิตตัวเองพุโทโธจิตสงบก็รู้พุโทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้ะพุโทโธจิตหนีไปแล้วก็รู้พุโทโธแล้วเราไปเพ่งนิ่งๆอยู่ก็รู้หายใจหายใจไปจิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้จิตหลงไปคิดแล้วก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้ดูท้องพองยุบ ก, ก็เหมือนกันดูท้องพองยุบแล้วจิตไปเพ่งท้องก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ ตรงที่รู้ว่าจิตนี้ไปคิดนะจิตที่รู้สึกตัวก็จะเกิดจิตรู้สึกตัวก็รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรนะก็รับรู้ทันที่จิตนั้นมันคือจิตสิกขาสิ่งที่เราทำได้คือสมาธิที่ถูกต้องเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานไม่ได้ทําให้มันนิ่งนะ อย่างเราฝึกตัวเองนะเผลอก็เพ่งเผลอไปส่วนให่เผลอไปคิดเอ้เพ่งเอาไวนะ้แล้วก็บางทีก็เผลอรู้ทันพยายามจะไม่เผลอเพ่งรู้ว่าเพ่งพยายามจะไม่เพ่งนะตรงนี้ยคือความปรุงแต่งตรงที่เราเผลอไปเนี่ยคืออาปุญญาที่สังขาปรปลุงชั่วตรงที่เราเพ่งอยู่ ปุญญาพิสังขารปรุงดีปรุงดีไม่ไปนิพพานนะปรุงดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมได้เพยงอยู่ตรงที่พยายามจะไม่เผลอพยายามจะไม่เพ่งเนี่ยเป็นอาเนยนชาพิสังขารปรุงแต่งที่จะไม่ปรุงแต่งนะย้อใจเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดคอยรู้ทันไปเผลอรู้ทันนะเผลอเนี่ยเป็นความปรุงชั่วสิ่งที่ได้มาคือทุกติ ลงไปในอบัยวุมเพ่งอยู่นะอืดอัดก็จริงนะแต่เพ่งรักษาจิตรักษากายอยู่เป็นปุญญาพิสังขาราจะเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรมได้แต่เนปานไม่ได้เพราะมันยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ตรงที่พยายามรักษาจิตไม่เผลอไม่ให้เพ่งไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งเป็นอาเนชาที่สังขารปรุงว่าง ลงไม่ไม่เอาอะไรกับใครเา้างั้นบางที่มันสอนกันนะว่าไม่ยึดถือนอนก็ไม่ยึดอันนี้ก็ไม่ยึดพูดเอาเองนะก็ยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละก็ยังยึดอยู่นะบางคนก็อ่านธรรมะนะครูบาจารย์ท่านพุทธท่า น, นช่างชอบพูดสเปธรรมานาลังอะพิณิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรถือมั่น พอฟังอย่า ง, ง น, นาี้ไม่ถือมั่นพลาดแล้วอยู่ๆจะไม่ไม่ถือมั่นไม่ได้เพราะตอนนี้มันถือมั่นออันนั้นเป็นจุดรวมยอดของการปฏิบัตนะิที่ไม่ถือมั่นอะไรเลยก่อนจะถึงตรงนั้นะมีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมเมื่อมีศีลสมบูรณ์นะสมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์นะมันถึงจะไม่ถือมั่น ศีลก็ไม่มีบอกไม่ถือมั่นาการรักษาศีลเป็นความยึดมั่นถือมั่นอยากปล้นใครก็ปล้นเพราะไม่ยึดถือนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะอยากเป็นชู้กับใครก็เป็นเพราะไม่ยึดถือมีเมียแล้วก็นอกใจเพราะไม่ยึดถือเมียเราด้วยไม่ยึดถืออะไรเลยพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็ไม่ต้องทาเพราะไม่ยึดถือ วิปัสสนาก็ไม่ต้องทําเพราะไม่ยึดถือแล้วทําอะไรก็ทําอากุศลน่ะสิไม่มีช่องอื่นให้ทําเลยก็ทําอากุศลไปเรื่อยๆเพราะน้นเวลาเราได้ยินใครเขพูดเรื่องไม่ไม่ยึดมั่นถือมันนะ่นอย่าเคลิมนะอย่าสาทุนะต้องดูก่อนว่ามีธรรมะที่จะทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแสดงออกมาหรือเปล่าถ้าอยู่ๆเขาบอกไม่ยึดมัน่นยังมีพระบางองคนะ สอนนะเปิดสำนักนะคนก็เชื่อเยอะเลยนะไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดนะทําอะไรบ้าๆบอๆก็ได้เพราะไม่ยึดมั่นบางคนเคยเรียนกับหลวงพ่อนะก็บอกไม่ยึดมั่นเป็นพระนะวันดีขึ้นดีลุกขึ้นนุ่งกางเกงไปแต่งตัวแบบพระจีนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเราก็บอกสึกไปเถอะอะไรก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดมันยึดถือในความเห็นว่าอยากจะไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลนะมันก็มีคนคนหนึ่งนะชื่อนายเล็บยาวมันคงไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นชาญายนะ่ามิสเตอร์ทีคณาค่ะนายเล็บยาวไว้เล็บยาวขึ้นไปเฝ้าพระพัทธเจ้าที่เขาคิชฉกูดใครเคยไปเขาคีชะกูดบ้างไม่ใช่ที่เมืองจันทร์นะ <c oughs> ที่ราชเครือนยยกมือซิยกมื อ, มอขึ้นไปถึงไหมเก่งเื่อถึง ก่อนจะถึงข้างยอดเขาว่ามีถ้าเล็กๆอยู่อันนึงถ้ำสุกระขาตาถ้าสุกระขาตาเป็นที่อยู่ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรอยู่ในถ้ำนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านจะไปสอนธรรมะพระสารีบุตรท่านอยู่ที่ถ้ำนี้ถ้าเล็กๆนั่งก็สององค์ก็เต็มถ้าแล้วนายทีข้าหน้าขาจะมาเยี่ยมพระสารีบุตร มาเจอพระพุทธเจ้านะก็เลยอวดวาทะบอกสำหรับข้าพระองค์แล้วอะไรๆก็ไม่สมควรแก่ข้าพระองค์นี่ภาษาโบราณหมายความว่าไม่ยึดถืออะไรเลยไม่มีอะไรสมควรที่ข้าพระองค์จะยึดถือเลยไม่ยึดถือสักอย่างโดนท่านยอนแนละ้ว ก, ก็ยึดความไม่ยึดก็ยังยึดอยู่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเวทนา แสดงเรื่องเวทนาขนนั้นพระสารีบุตรนั่งพัดให้พระพุทธเจ้าเมืองนั้นมันร้อนจริงๆพัดพัด พ, ดพัดแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ใช่น้าหนาวใช่หถ้าน่าหนาวคือไม่พัดเนี่ยพระพุทธเจ้าผง mm. <c oughs> ไม่รู้กาลเทศะพอพระพุทธเจ้าแสดงจบพระสารีบุตรบรรลุพนานัน ที่คณะข า, าได้อะไรเปล่าไม่รู้หลวงพ่อแก่แล้วลืมแล้ค่อยๆฝึกไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปทุกวันมีสตินะไม่ใช่อยู่ๆก็ไม่ยึดอะไรตอนนี้ยึดก็ยอมรับไปว่ายึดยึดอะไรบ้างนะยึดว่าเรามีจริง ตัวเรามีจริงๆแต่ตัวเราที่มีจริงเนี่ยตายแล้วมันอาจจะหายไปเลยศูนไปเลยหรือตายแล้วมันไปเกิดอีกนี่อันนี้คือยังยึดอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสองแบบแหละเนี่ยค่อยมาเรียนดูซิตัวเรามีจริงปล่าเพราะจิตเป็นคนดูดูู้สึกสติรู้ลงไปที่กายกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่ เราลึกรู้ลงไปในเวทนาเวทนาไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตไปดูเดี๋ยวก็เป็นจิตไปฟังจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตหลงอะไรเงนี้จิตก็ไม่ใช่เรา มันจะเป็นจิตอะไรชนิดไหนเราสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจแล้วจิตทุกชนิดเกิดเราดับเ น, นี่ยเห็นไปจนครบนีรูปเวทนาสัญญาสังขารบินญาณตัวจิตคือตัวบิญญาณรูปตัวร่างกายเราเนี่ยดูไปทุกๆุกตัวสติระลึกตัวไหนก็ดูลงไปก็เห็นตัวนั้นไม่ใช่เราอย่างเรารู้ร่างกายอยู่เนี่ยเห็นอยู่ร่างกายไม่ใช่เราหรอก เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงนี้นั่งไปนั่งไปมันปวดหลังขึ้นมานะสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเลยเวทนาไม่ใช่ร่างกายเนะวทนาเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาเวทนาเป็นสิ่งถูกรู้นะไม่ใช่ตัวเราของเรามันมาเองมันไปเองมันเกิดแล้วมันดับบังคับมันก็ไม่ได้ว่ามันเกิดทุกข์มากๆปวดหลังมากๆนะใจหงุดหงิด ข้ามาที่จิตละจิตใจหงุดหงิดมีสติรู้ลงไปเห็นความหงุดหงิดก็ไม่ใช่เราความหงุดหงิดเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูดูจนแจมแจ้งพวกนี้นะแล้วมันจะหลงมาที่จิตมันจะเห็นเออจิตรู้หรือจิตหลงก็ไม่เที่ยงทั้งคู่จิตไปดูจิตไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตตัวไหนๆก็ไม่เที่ยง แล้วก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จงเป็นจิตรู้ตลอดอย่าคิดเราสั่งสิสั่งตัวเองว่าอย่าคิดสิคิดไหมสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยหันดูของจริงไปเลยนะสุดท้ายนจะเห็นในขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้ไมีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นตรงนี้หนะ้า สิทธ่ปฏิวัติตัวเองเป็นพระโสดาบันพวกอยู่วัดส่งกันบ้านไม่เอาระผ่านไม่ง้องหรอกดีใจเลอซ้ำไปเหรอ เป็นผู้จัดการถึงไม่ถามก็ต้องสอนหน่อยแล้วขนาดนี้พยายามควบคุมตัวเองอยู่รู้สึกไหมตรงนี้เป็นความปรุงดีพยายามบังคับตัวเองควบคุมตัวเองบังคับตัวเองอยู่ก็รู้ทันไปอยากดีก็ดูมไป งั้นเราจะเรียนรู้ตัวเองนะมันปรุงชั่วก็รู้ปรุงดีก็รู้พยายามจะไม่ปรุงก็รู้รู้ทันมันไปเรื่อยๆระยะหลังมานี่ภาวนาแบบแห้งมากคะ่ะหลวงพ่ อ, อนะแห้งมากหเหมือกับพยายามต้องฝืนตัวเองลาก ต, ตัวเองคะ่ะแล้วมันก็ง่วงงวงมุนงุนอยู่ตลอดค่ะหลวงพ่อสวด ม, น, มน้หยใจมันมืดไป สวนเมิดเพราะอะไรพึงรู้ด้วยตนเองโดนแกล้งนมำส ก, การครับหลวงพ่อของผมมาหัวแล้วก็ว่วมันมันจะมีช่วงที่มันฟงมากแล้วก็ถ้าตอนทำรูปแบบมันจะนิ่งนิ่งซึมซึมถ้าฟงมากเวลาทำสมถะนะมันจะนิ่งไปเลยซึมฟงสั้น สุดขีดแล้วนะฟงซ่านแล้วมันจะเสื่องซึมเป็นของคู่กันนะฟงส่านกับเสื่องซึมอย่างช่วงไหนราค้าแดงถัดไปโทษาะจะแดงใชนะนะ่ก็เป็นของคู่ ค, คู่กันแล้วก็สังเกตตัวเองไปดีหรือไม่ดีไม่สำคัญสำคัญที่ปฏิบัติให้สม่ำเสมอ ทำกรรมาฐานของเราไปแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่รู้เรื่องก็รู้แทนที่อ้วไม่รู้เรื่องนะมั่วไปหมดแล้วรู้หมั่วพอรู้ได้ใจเป็นกลางแนละความวุ่นวายทั้งหลายสะดับทันทีเลยง่ายถึงบอกว่ามันง่าย <laughs> เนียทีพระบอกฟุงซ่านนะอุยะ้ยกว่าจะภาวนาลงทั้งหลายวันเนะี่ยวิธีหลวงพ่อเนะี่สั้นชุดจูเลยง่ายฟุงซ่านรู้ว่าฟงซ่านไม่ชอบที่มันฟงซ่านรู้ว่าไม่ชอบจบแล้วหายทันทีรู้สึกไหมสว่างขึ้นมาแล้วง่ายบอกแล้วเนียอาจารย์เนะมือ่อวัน้วบอกว่าเหนื่อยมากโซหมดเรื่องหมดแรงนะสอนเยอะขยันสอนโซ มานั่งอยู่กับหลวงพ่อพยายามจะรู้สึกบอกไม่ต้องพยายามม่มันเป็นอย่างนี้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไปเลยพอเป็นอย่างนี้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะหายเลยมีแรงขึ้นมาทันทีเลยง่ายเนาะไม่เห็นยากเลยแล้วไงอีกผมเหมือนพยายามดูตัวครับดูที่ฝึกยัาใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะเลย รู้ตัวไหมเหมือนมันพยายามคิดย้อนไปดูว่ามันดีขึ้นไหมแต่ว่ามันเหมือนเห็นตัวหนึ่งที่มันมันเหมือนเดิมตลอดอย่าไปช่องใส่ตัวนั้นครับเหมือนอออตัวรู้นั่นนะ่ะช่องแล้วเดี๋ยวติดเหมือนพอย้อนไปมันไปเจอนี่มันก็ไม่ดูละมันก็เหมือนเดิมตัวนี้เราไม่รักษาอ๋อนะ่ะห้ามรักษานะ มันเป็นตัวนิ่งๆอ๋อใช่ค่ะในพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอย่าไปรักษามั น, นปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งตรงที่มันนิ่งอยู่เพราะเราประคองอยู่มันขับลงพอดีภาทนาดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งที่สองในรอบปีนะคะ หนูมีคําถามอยู่สองคำถามค่ะคําถามแรกคือตอนนั้นหนูนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปคนแต่ว่าข้างในเนี่ยคือเรามองทะลุไปได้เลยมันเหมือนอากาศแล้วก็จิตเราวิ่งชนชนชนชนอืมอันนี้คือหนูเห็นจริงๆใช่ไหมคะเห็นแต่ตัวที่เห็นนั้นไม่ใช่จิตหรอกรูนะ้สึกไหมมันเหมือนมันมีเปลือกหุ้มเอาไว้ จิตมันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่ทำไงก็ไม่แตกหรอกถึงจวิ่งชนยังไงก็ไม่แตกนะเวลาเกิดอริยมรรคถึงจะแตกแล้วเกิดอริยมรรคครั้งที่หนึ่งมันแตกไปแล้วก็กลับมาปิดเลยครั้งที่สองแตกแล้วก็ปิดครั้งที่สามแตกแล้วก็ปิดครั้งที่สี่เนี่ยถึงสลายแตกสลายไปยันเราเห็นถูกแล้วจิตนถูกขังอยู่อึดอาดรู้สึกไหม ถ้าเห็นตรงนี้นะ่าจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถึงไปอยู่ในตึกใหญ่โต ว, วิเศษพิโสแค่ไหนนะมันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะเราติดคุกอยู่ใจเราติดคุกเห็นยังเห็นค่ะเออนั่นแหละดูไปดูสิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่แหละดูกายดูใจไปถึงวันหนึ่งศีล ส, สมาธิปัญญาเราสมบูรณ์นะมันก็เกิดอริยมรรค แบวกอาสวานี้ออกแล้วก็จะล้างกิเลสภายในไปส่วนหนึ่งครั้งที่สองก็ครั้งที่สาม้ครั้งที่สี่ถึงจะสิ้นอาสวะแล้วในส่วนของคำถามที่สองนะคะก่อนมาอยู่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันบีเข็นตรงกลางอกมาก มันมันเหมือนมันจะแตกมันจะคือสู้กับมันเลยบอกว่าตายเป็นตายแล้วก็มันก็ยังไม่หายแล้วก็โมโหมันด้วยว่าทำไมไม่หายสัทีแล้วมันก็ยิ่งบีบเค้นขึ้นไปใหญ่เลยจนกระทั่งมีคำหลวงพ่อขึ้นมาบอกว่าหมดเหตุมันก็ดับมีเหตุมันก็เกิดพอคำนี้ขึ้นมา มันค่อยๆจางหาแต่มันใช้เวลาระยะเวลานึงก่อนตัวนั้นเป็นตัวปัญญาปัญญามันเกิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจไม่เห็นตัวนี้นะก็หวังคลายออกแต่ตัวนี้เป็นแค่ปัญญายังไม่ใช่มัดนั่นเดี๋ยวมันก็เป็นอีกปัญหาของหนูทำไมไม่ใช้เวลานานเพราะมันไม่เป็นกลาง เวลาที่สภาวะผีบคันเกิดขึ้นใจไม่ชอบเราแทนที่จะรู้ว่าใจไม่ชอบนะเราก็ไปหาทางทำยังไงจะให้มันหายเรายิ่งปรุงแต่งมากกว่าเก่าอีกมันก็ยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าความปรุงแต่งทั้งหลายนั้นเป็นตัวทุกข์ความปรุงแต่งทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขเคย<า>ได้ยินไหมอันนี้ที่พระชกากังสกุลเตสังโมปสโมสุขโข สังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขนี้เราพยายามปรุงแต่งที่จะไม่ให้มันปรุงแต่งมันดินอย่างนี้มันแน่นมันอึดอัดเราก็ปรุงแต่งว่าทํำยังไงจะหายเห็นไหมเราปรุงแต่งแล้วเราก็จะยิ่งถูกมากขึ้นเขาโหนมันมันเห็นตรงนี้เร็วปกติถ้าจะเห็นตรงเนี้ถ้า ยี่สี่เราแก่กล้าถึงขั้นพระนาคาหมีแล้วนะแล้วภาหนาแล้วเรามาลงตรงนี้แตกหักตรงนี้มันถึงขนาดระเบิดเลยนะตัวจิตนี้มันจะระเบิดเลยแต่ของนรามันยังไม่ได้ทำมาขั้นต้นเมื่อเห็นื่อมันทุกไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไปทุกให้พอเขาไว้พรให้เห็นทุกขเอาไหมหรืออยาก เห็นสุขขอเห็นทุกข์ก่อนคะอ่ะเห็นสุขตามมาทีหลังก็ได้ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไหมลึกๆอย่างโลภอยู่ไหมลึกๆอย่างโลภอยู่เ อ, อยเอาแล้วยอมทุกข์ก่อนแล้วเดี๋ยวสบายทีหลังลำบากก่อนแล้วสบายเมื่อปลายมือนะไม่ได้กินหรอกไปสู้อีกยังสู้ไม่พอวันนี้ได้แค่นี้นะ ใครอยากถามไปถามผู้ช่วยสอนวันนี้มีเยอะเลยแล้วผู้ช่วยสอนเขาคงไม่ปฏิเสธที่จะสอนเราเพราะวันน <step> <men> ี้เป็นวันสำคั ญ, คญพระพุทธเจ้าอุตสาสอนโอวาทปาติโมกขับจาบบโอวาทปาติโมก ค, คือหลักสูตรสำหรับผู้เผยแพร่ หลักสูตรสำหรับผู้เผยแผ่ธรรมะโอวาทะปฏิมโมกนั้นในฐานะบวชหมาคาบูชาผู้ช่วยสอนก็จะขยันเป็นพิเศษเจอใครก็ถามได้เลยนะมีองค์ไหนมีธุระจะคุยกับผมไหมแม้ครั้งที่สองมีองค์ไหนจะคุยกับผมไหมครับนิมนต์ครับ